แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าขย่าขวัญตามมาจากทริปนั้นสวัสดีครับพี่ๆทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่ออาร์มปัจจุบันทํางานเป็นครีเอทีฟบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆ เ, เมื่อสองสาปีก่อนในตอนที่ผมยังเรียนอยู่มหาลาัยที่พวกผมเรียนนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดหน่งของทางภาคเหนือ ผมและเพื่อนๆมักจะไปตั้งแคมป์บนภูเขาเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างและครั้งนั้นก็เช่นกันหลังสอบรายภาคเรียนที่1เดือนตุลาคมผมกับเพื่อนๆก็ได้ไปเที่ยวกันบนดอยแห่งหนึ่งกว่าพวกเราจะขึ้นไปถึงยอดดอยก็เป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วมีคนขึ้นมาตั้งเต็นต์จำนวนมากและความที่พวกผมไม่ค่อยชอบคนเยอะจึงตัดสินใจกันว่าจะไปตั้งเต็นต์ในจุดอื่นพวกผมเดินหากันไปไกลแล้วก็มาพบสถานที่ถูกใจตรงบริเวณป่าเลียบทางขึ้นดอย เดินลึกเข้าไปจะพบพื้นที่เงียบสงัดและไม่ลาดชันมากพอจะตั้งเต็นท์ได้อยู่เมื่อพวกเราได้สถานที่ที่จะตั้งเต็นท์แล้วก็ช่วยกันกางเต็นท์จัดแจงเข้าของต่างๆที่เตรียมมาอลืมเล่าไปครับว่าจุดที่พวกผมเลือกกางเต็นท์นั้นห่างไปไม่ไกลมีสารเพียงตาขนาดเล็กตั้งอยู่พวกผมในฐานะนักปีนเขารู้ได้ในทันทีว่านั่นคือสารเจ้าป่าเจ้าเขาพวกผมเดินเข้าไปไหว้กันทุกคนยกเว้นเพื่อนคนนึงชื่อหมู เป็นเพื่อนสนิทและรูเมกของผมเองหมูใส่หน้าไม่เห็นพวกเราทุกคนยกมือไหว้สารนั้นงมงายว่าพวกมึงหมูมันพูดขึ้นแล้วเดินหนีไปพวกผมก็ไม่ได้สนใจมันเพราะอยากทําเพื่อความสบายใจมากกว่าแล้วคืนนั้นพวกเราก็เมากันเละเทะ ต, ตามระษาวัยรุ่นนะครับเสียงดังกันมากทั้งโวยวายทั้งร้องเพลงบางคนก็ทุบข้าวของเสียงดังเป็นจังหวะ ด, ดนตรีพวกผมสนุกกันเต็มที่ จนเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองเรื่องน่ากลัวที่พวกเราจะต้องจำได้ไม่มีวันลืมก็เกิดขึ้นมันเริ่มมาจากพวกเราได้ยินเสียงกรีดร้องคล้ายเสียงผู้หญิงดังออกมาจากในป่าเป็นเสียงที่น่าขนหัวลุกที่สุดที่เคยได้ยินมาเราทุกคนหันมาสบตากันด้วยความตกใจจากนั้นความเงียบก็เข้าครอบงากลุ่มเป็นเวลานานกว่า10นาทีจะมีคนนึงหัวเราะขึ้นมาเป็นอะไรกันวะพวกมึง หมูพูดอย่างอารมณ์ขันเขาหัวเราะไม่หยุดแต่เราทุกคนไม่รู้สึกขำไปกับมันด้วยตั้มเพื่อนคนหนึ่งจึงถามมันขึ้นมาว่ามึงไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเหรอมันก็หัวเราะและ้วตอบว่าโอ้ยพวกมึง น, นี่ขี้คลาดตาขาวไม่เข้าเรื่องว่ะ <laughs> มันหัวเราะต่ อ, อยังไม่ทุกร้อน <laughs> ก็แค่เสียงลมพัดไงวะจะไปกลัวทําไมพอพวกผมได้ยินแบบนั้นพวกผมก็หันมามองหน้ากันอีกครั้งพร้อมกับนึกว่าที่หมูพูดมันนั้นก็ฟังดูเป็นไปได้ บางทีนั่นอาจเป็นแค่เสียงลมพัดเท่านั้นใบหน้าของทุกคนดูคลายความกังวลลงแล้วพวกเราก็กลับมาสนุกกันอีกครั้งแต่ว่าเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนและน่ากลัวกว่าเก่าที่สำคัญพวกผมแน่ใจแล้วว่าเป็นเสียงของคนไม่ใช่ลมอีกทั้งเสียงกรีดร้องที่ได้ยินยังบ่งบอกอารมณ์ของผู้ที่ทาได้ว่าเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นพวกเรามองสบตากันพางกลืนน้าลาย ก่อนจะหันไปมองทางที่มาของเสียงเพ่งเข้าไปในความมืดมิดของป่าและทันใดนั้นเองก็เห็นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นเงาทรรมเนร่างสูงใหญ่ไม่มีใบหน้าแต่เห็นเป็นรูปร่างคนชัดเจนมันกําลังกางแขนออกและกระโจนพุ่งเข้าหาพวกเราว<ะ>ทั้งวงแตกือต่างคนต่างวิ่งกระจายกระจายเข้าเต็นต์ตัวของทุกคนสั่นน้ำงกและแทบจะร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลย นั่นคือหมูมันยังคงนั่งกินเหล้าคนเดียวอยู่ข้างกองไฟไม่รู้ว่าเพราะริดเหล้าที่ดื่มเข้าไปเยอะหรือเพราะไม่กลัวผีเป็นปกติอยู่แล้วแต่สําหรับพวกผมไม่มีกระจิกกระใจจะดื่มต่อไปแล้วได้แต่นอนตัวสั่นอยู่ในเต็นท์พยายามข่มตาให้หลับเพื่อให้ผ่านคืนสยองขวัญเช่นนี้ไปโดยเร็วแต่ก็แน่นอนว่าพวกผมไม่อาจหลับได้เลยตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาพวกผมก็รีบร้อนเก็บเกี่ของใช้ส่วนตัวใส่เป้ ตั้งใจจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่มีอารมณ์เที่ยวต่อแล้วในระหว่างที่พวกผมกำลังจะเก็บเต็นท์ mm. ก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าหมูยังนอนอยู่ข้างในผมจึงเข้าไปปลุกมันหมูท่าทางงวงเงียมากและคล้ายกับว่าจะไม่สบายหน้าของมันซีเซียวขอบตาคล้ำและตัวสั่นเทิมเฮ้ย <Hey, S 1> มึงไหวไหมเนี่ยผมถามหมูเดาในใจว่ามันคงแห้งจากการดื่มหนักเมื่อคืนปวดท้องกูหนาว หมูครางตอบได้ยินมันพูดแบบนั้นผมกับเพื่อนๆเลยต้องรีบหายาแก้ปวดท้องให้มันกินพร้อมกับปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วพวกผมลงจากดอยโดวยวิธีการโบกรถนักท่องเที่ยวแล้วอาศัยรถเขาเ ข, าเข้าตัวเมืองเพื่อต่อรถตลอดระยะทางกลับหมูซึมลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับว่าผิดปกติมากเพราะต่อให้ไม่สบายแค่ไหนหมูก็มักจะไม่แสดงอาการและร่าเริงอยู่เสมอพวกผมที่ทําอะไรไม่ถูก ต่างก็ได้แต่มองมันด้วยความสงสารเมื่อถึงห้องพักหลังจากแยกกับเพื่อนที่เหลืออีกสองคนแล้วผมก็ปล่อยให้หมูนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่และพยายามหายาและข้าวปลาให้มันกินแต่มันก็ไม่ยอมกินอะไรสักอย่างเอาแต่ทําท่าเสื่อมซึมไม่พูดจาทาให้ผมกังวลมากกระทั่งกลางดึกคืนนั้นเองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตะโกนของหมูขอโทษขอโทษขอโทษ เมื่อผมหันไปมองมันก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะหมูกําลังนอนพนมมือตัวสั่นอย่างรุนแรงคล้ายคนเจ้าเข้าใบหน้าของมันฉายแววตกใจสุดขีดดวงตาเบิกโพรงลูกตาแทบถลนออกมานอกเบ้าในขณะที่ปากยังคงร้องตะโกนต่อไปไม่หยุดขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษผมพยายามร้องเรียกหมูให้กลับคืนสติแต่ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่มันก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติผมจึงคิดได้ควรสวดมนต์ ผมสวดอิติปิโสพร้อมกับอ้อนวอนเทพยาดาฟ้าดินให้เข้ามาช่วยเหลือหมูมันทีเถิดสวดผ่านไปไม่รู้กีจจก่จบในที่สุดหมูก็หยุดอาการเหล่านั้นได้อย่างปฏิหารแล้วสลบไปส่วนผมนั่นก็กลัวจนนอนไม่หลับและแล้วคืนนั้นก็เป็นอีกคืนที่ผมไม่ได้นอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผมตั้งข้อสงสัยว่าหมูอาจไปทําอะไรที่ผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าที่พวกเราเพิ่งไปเที่ยวมาก็เป็นได้ผมจึงเค้นถามมัน แต่มันก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจากนั้นตอนกลางคืน <Akt> หมูก็มีอาการเช่นเดิมคือตื่นขึ้นมากลางดึกนอนพนมมือตัวสั่นแล้วร้องตะโกนว่าขอโทษผมก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมคือสวดมนต์หมูจึงหายจากอาการนั้นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่3ามคืนติดกันและในคืนที่4อาการประหลาดของหมูก็กาเริบอีกครั้งมันร้องตะโกนขอโทษซ้าไปซ้ำมาเหมือนคืนก่อนๆผมตื่นขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่รู้สึกกลัวเพราะเริ่มชินแต่เมื่อผมเตรียมจะสวดมนต์จูๆ่ๆหูก็ลุกขึ้นแล้วออกเดินในขณะที่มือมันยังพนนมและตัวก็ยังสั่นอยู่อย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยผมเรียกมันแล้วรีบกระโดดลุกจากเตียงวิ่งตามมันไปหมูเดินไปเปิดประตูระเบียงแล้วเดินออกไปผมเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้าไปล็อกตัวมันไว้และพยายามลากมันกลับเข้ามาในห้องแต่หมูก็ยังลิ้นโดนจะไปที่ระเบียงให้ได้ผมออกแรงล็อกตัวมันสุดกําลัง จนเราทั้งคู่ล้มลงไปกองกับพื้นผมก็ยังไม่ปล่อยตัวมันในขณะที่นอนฟัดกันอยู่นั้นสายตาของผมบังเอิญมองไปที่กระจกเงาที่ตั้งอยู่ใกล้กับประตูระเบียงและผมก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ในนั้นเป็นชายผิวคล้ำร่างสูงใหญ่ผมเกลียนเนื้อตัวมอมแมมสวมกางเกงขา ย, ยาวขาดวินไม่สวมเสื้อและรองเท้าชายคนนั้นมองมาที่ผมสายตาทะมึงถึงปราดเกลี้ยวและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันทำท่าจะเดินออกมาจากกระจกเฮ้ย <Hey! S 1> ผมร้องตะโกนสุดเสียงและพยายามดิ้นรนเพื่อห น, นีให้พ้นจากชายคนนั้นแต่ขาของผมมันกลับไม่มีแรงพอจะลุกขึ้นได้ในขณะที่ผมกำลังอับจนหนทางอยู่นี่เองจู่ๆเสียงขคอะประตูห้องกะดังขึ้นปังปังปังปังใครสักคนมาที่ห้องผมและเคาะประตูรัวแต่ผมไม่มีสติพอจะลุกไปเปิดเงียบๆหน่อยผมจะนอนเสียงคนนั้นตะโกนเข้ามา นั่นทำให้ผมโล่งใจว่าเขาเป็นคนคิดว่าเสียงของผมคงดังมากจนคนข้างห้องได้ยินอย่างไรก็ตามการมาของคนข้างห้องทำให้วิญญาณที่ผมเห็นในกระจกหายไปผมจึงรีบลุกขึ้นและพาหมูไปที่ห้องเพื่อนอีกสองคนเพราะอยู่ที่นี่ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเมื่อไปถึงห้องเพื่อนผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พวกมันฟังเมื่อเล่าจบตายเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่ารู้จกกักหมอดูมียานคนหนึ่งเก่งมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาเองวันต่อมาพวกผมจึงพาหมูไปหาหมอดูที่ตายรู้จักเป็นผู้หญิงแก่ตาบอดแต่งตัวมอซอถ้าถามไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นักเพราะผมไม่เห็นว่ามีลูกค้ามาดูดวงเลยสักคนเดียวแต่อย่างไรสัก็มาถึงที่นี่แล้วลองคุยดูหน่อยก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกหลังจากเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หมอดูคนนั้นฟังหมอดูก็หันไปหาหมูแล้วถามคำถามเดิมกับที่ผมเคยถามมันไปแล้วว่า ได้ไปทำอะไรไม่ถูกไม่ควรที่นั่นหรือเปล่าหมูปฏิเสธตามเดิมแน่ใจนะไม่ได้ไปฉี่ใส่ที่นั่นใช่ไหมหมอดูคนนั้นเริ่มทำเสียงดุหมูนิ่งและเงียบไปเขาไม่ใช่วิญญาณดีนะเขาไม่ให้อภัยเธอแน่ถ้าไม่ยอมขอโทษเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นพวกผมก็ช็อกจนแทบลืมหายใจไม่ใช่วิญญาณดีหมายความว่าอย่างไรหมูเงียบไปพักึ่งแล้วจึงยอมสารภาพว่า ก็ได้เป็นปั ส, สวะใส่สารนั้นพระหมันไส้ที่ เ, เพื่อนเทุกคนงมงายผมฟังแล้วรู้สึกโมโหหมูมากที่ทําอะไรไม่รู้กาลเทศะขนาดนี้แต่อีกใจหนึ่งก็ยังคงสงสารมันอยู่เมื่อรู้สาเหตุแล้วหมอดูจึงบอกว่าจะทําพิธีให้หมูขอขามาวิญญาณตนนั้นที่บ้านของตนเองโดยจะตั้งโต๊ะบวงสวงให้พวกผมไปซื้อเหล้าและอาหารมาสําหรับใช้เป็นเครื่องเส้นมาเจ็ดอย่างเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจึงเริ่มพิธีหมอดูจุดทูบหนึ่งดอก เทียนหนึ่งคู่แล้วท่องคาถาเรียกวิญญาณจากนั้นก็ให้หมูเข้ามาพูดขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ได้ร่วงเกินไปในระหว่างนั้นเองเชื่อไหมครับว่าอยู่ดีๆก็มีลมพัดอย่างแรงตีหน้าพวกเราทุกคนทั้งทูบและเทียนดับพรึบผมและเพื่อนๆร้องเหวอในตอนนั้นหมอดูพูดขึ้นว่าจะให้หมูบวชให้จะยอมไหมหมอดูหันมาถามหมูหมูมันพยักหน้าแบบไม่ต้องคิดลมแรงจึงหายไปแล้วหมอดูก็ประกอบพิธีต่อจนจบ ทุกคนต่างโล่งใจที่ในที่สุดเหตุการณ์สยองขวัญ น, นี้ก็จบลงแล้วหมอดูเดินมาบอกหมูว่าเขาต้องบวชให้วิ ญ, ญญาณตนนั้นหนึ่งปีวิญญาณจึงจะยอมยกโทษให้ซึ่งหมูก็รับปากจะทำตามหมอดูอธิบายต่อว่าวิญญาณตนนั้นไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาอย่างที่เราเข้าใจกันแต่เป็นวิญญาณของโจรสมัยก่อนที่ถูกตํารวจฆ่าตายในป่าหลังตายไปก็เฮี้ยนมากไล่หลอกคนไปทั่วจนชาวบ้านต้องสร้างศาลเพียงตาให้ วิญญาณนั้นจึงสงบลงและด้วยความที่ไม่ใช่เทพเขาจึงไม่มีความเมตตาปราณีต่อผู้ที่คิดลบหลู่เขาอย่างเช่นหมูเรื่องนี้นับว่าเป็นอุทาหรณ์ที่พวกผมจะต้องจำฝังใจไปเลยทีเดียวพวกเราขอบคุณหมอดูแก่คนนั้นและให้เงินเป็นสินน้ำใจอีกจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานหมูก็บวชเป็นเวลาหนึ่งปีและไม่กล้าลบหลู่สิ่งเหนือธรรมชาติใดๆอีกเลยอยากเตือนเพื่อนๆ เ, เวลาไปไหนมาไหน อย่าทำอะไรแบบคึกขนองจนไม่นึกถึงสิ่งที่กำลังจะตามมาอย่าเป็นลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับพวกผมนี่เข็ดไปอีกนานเลยครับกับเหตุการณ์สยองครั้งนี้หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ